ทรงประชุมสง์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีให้อบริคารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่ภิกษุณีจํานวนมากที่ขอมาเองแลกเปลี่ยน้องอย่างอื่นจริงหรือ ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉนัยพวกภิกษุณีจึงให้อบริหารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่ภิกษุณีจํานวนมากที่ขอมาเองแลกเปลี่ยนของอย่างอื่นเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส รือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้พิกษุนีทั้งหลายยกศีรษาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้